พระธรรมเทศนาลำดับที่แปดโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าทานบา ร, รมีประตูสูม่มรรคผลนิพพานพวกเราท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยกับเมื่อมาเพื่อฟังมาเพื่อการศึกษาฟังทางอื่นทางโลกแล้วก็ฟังมามากแล้วฟังเสียงร้องรำทำเพลง แต่บัด น, นี้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาอยากจะมาฟังครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านอยู่ในป่าดงฟงภัยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเราจะได้ฟังเพราะเราก็ได้ฟังจากที่อื่นมาแล้วแต่บัด น, นี้จะมาฟังครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องแนวทางของพระพุทธศาสนา ติดนแนวทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากามีมากมายหลากหลายในแนวความคิดเกี่ยกว่าพระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมขันสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์จะจิบจุดไหนหรือว่าเอาจุดไหนมาบอกกล่าวหรือมาแนะนำํำหรือมา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 วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งวันนี้คณะสัาญาติโยมาจากจารุรทิศได้มาที่มาพักที่วัดหลวงพ่อเพื่อเตรียมงานทอดกฐถินวันพรุ่งนี้ปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวแต่ละวัดเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นวันสำคัญของวัดหรือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลของวัด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 เรื่องทานแต่วันทานกับวันพุ่งนี้หละแต่ว่าก่อนที่จะทานน่พวกเราควรจะรักษาศีลสักก่อนอันดับแรกหลวงพ่อได้ให้พวกเราไหว้พระกระจกลงแล้วจากนั้นก็ได้อรัธนาศีลหลวงพ่อก็เป็นผู้พานำสมาทานศีลทั้งห้าข้อการที่สมาทานศีลรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล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 อันนี้ก็คือศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วก็วันพุ่งนี้พวกเราก็จะได้ทำบุญทำทานได้เสียสละจะตุปัจจัยตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้มากน้อยตามอัธยาศัยบำรุงพระพุทธ ศ, ศาสนาเพราะว่าวัดว า, าศาสนาจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยสัทยาิโยมพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นหลัก ได้ ว, ว่าเป็นผู้สนับสนุนถ้าหาว่าไม่มีพวกคณะทายาิโยมให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนาก็คงจะหมดไปนานเท่านานก่อนหน้านี้มาแล้วเพราะนั้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันคือฝ่ายพระสงฆ์ก็เป็นผู้นําหน้าเหมือนกับช้างเท้าหน้าอุบาสกอุบาสิกาเหมือนช้างเท้าหลัง หากว่าช้างเท้าหน้าไม่มีเท้าหลังจะเดินไปได้อย่างไรแต่เมื่อมีแต่ช้างเท้าหน้าศรัทธาญาติยยโยมให้สนับสนุนพระพุทธศาสนาช้างตัวนั้นจะไปได้อย่างไรเพราะนั้นก็ต้องไปทั้งควยกันทั้งเท้าหน้าเท้าหนักไปในทางที่ถูกต้องนี่ที่หลวงพ่อได้พูดว่าเรื่องศีลหลวงพ่อจะเน้นเรื่องของศีล ศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคืออยู่ในกฎระเบียบพวกเราอยู่ด้วยกันประเทศชาติหรือโลกทั้งโลกหรือวพวกเราเป็นหมู่เป็นคณะที่อยู่ด้วยกันต้องเป็นผู้มีต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในระเบียบกฎระเบียบนั่นแหคือศีลอย่างพระสงฆ์พระพุทธเจ้าได้ตัดจรู้ใหม่พระองค์ยังไม่ได้ บัญญัตวิไน ย, ยังไม่มีกฎระเบียบเพราะพระสงฆ์ยังน้อยก็ต่างองค์ต่างอยู่วิทยาสอนธรรมะให้ชำระกายให้ชาระใจให้เป็นพระอริยะบุคคลพอต่อมาพระสงฆ์ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็องค์นั้นมีความคิดแต่ละคนามาจากสกุลต่างๆก็มีแนวความคิดมากหลากหลายพระองค์ก็ได้บัญญัต วิัยขึ้นมาคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันอันนี้ก็คือศินสองี่สิบของพระแต่ถ้ามีสมมเนรเข้ามาอีกสมมเนรคือก็เป็นลูกของพระอายุเจ็ดปีขึ้นไปแล้วก็บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็ท่านก็ให้รักษาสินสิบก็อยู่ในระดับหนึ่งอันนี้ก็คือศิลสัมมาเนรคือคือศิน 10. สิบสิของพระก็คือศิน227ร้อยยี่สิบเจ็ดแต่สำหรับพระว่าที่โยม ที่ของเรือนนควรจะมีศีลอะไรเพราะพระองค์บอกว่าควรจะมีศีลห้าถ้าว่าผู้ใดมีศีลมีความอุตสาหะวิริยะก็ควรจะเพิ่มเป็นศีลอุโบโสถศีลแปดเข้าไปอีกอันนี้ก็คือสำหรับศรัทธาญาติโยมน่าจะเพียงพอเพราะศีลห้านี่นก็คือการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันอย่าให มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ต้องมีศีลห้าถ้าคนมีศีลห้าแล้วไปนสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่หากว่าพวกเราไม่มีศีลไปนสถานที่ใดมีแต่หวัดระแวงไม่รู้ว่าจะฆ่ามึงหรือว่าจะลักขโมยไม่รู้ว่าจะประพฤติผิดละลาบละร่วงไม่เคารพสิษฐ์ซึ่งสามีภรรยาแล้วจะไปที่ไหนมีแต่โกหก ไปเห็นที่ไหนมีแต่ดื่มสุราเมาไปหมดขาดจิต เ, เมื่อคนขาดจิแล้วก็น่ากลัวไม่รู้ว่าจะออกมาไม้ไหนอันนี้ถ้าคนไม่มีศีลก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องของศีล เ, เป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญในมวลมนุษย์พวกเราอยู่ด้วยกันแต่เรื่องทานเรื่องทานคือทานะเ พ, พราะพระุทธเจ้าก็สอนอย่างพวกเราจะได้ทําทาน ในวันพรุ่งนี้พระพระองค์ท่านตัดไว้ว่าเราจะฐาคตที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าได้สําเร็จพระโพธิญาณเนี่ยด้วยอนิสง์ทานอนิสง์ทานเป็นหลักนี่อนิสง์การเสียสละแล้วก็พวกเราได้มาศึกษาดูในประวัติพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ล้วนแล้วแต่แต่ละองค์ล้วนได้แต่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 ในหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าทานศีลภาวนาทานมีหลายอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังอมิษฐทานก็คือการเสียสละเรื่องเงินคำทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนาอาหารอันนี้เรียกว่าอามิษฐทานธรรมทานก็คืออย่างหลวงพ่อพูดเพื่อให้พวกเรามีสมาธินะ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 บางคนก็มีทิฏฐิและความเห็นแตกต่าง ก, กันบางทีเขาล่วงเกินเราเราให้ทหําให้เราไม่สบายอย่างนี้เราก็ว่าให้อภัยทานให้อภัยเขาหรือว่าเขตอภัยทานคือการไม่เบียดเบียนสัตว์อย่างนี้เรียกว่าเขตอภัยทานอย่างเขาว่าให้อภัยทานที่วัดไม่มาเบียดเบียนสัตว์ที่วัดน viamente, เนี่ยเขตอภัยทานประวัติการทานคํำนี้มันมีหลายอย่าง เพราะนั้นพวกเราเรื่องทานเป็นของไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นของเรื่องที่ใหญ่เเพราะนั้นเรื่องทานเรื่องศีลแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นคณะทายาิโยมมาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่ออยากจะแนะนําเรื่องภาวนาเนี่แหละอเป็นเรื่องเออ ชีวิ ต, ตจิตใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ที่จะแนะนำเรื่องภาวนาแล้วก็เป็นมัน ม, มีน้อยมีน้อยทีเดียวมีแต่พูดเรื่องทานเรื่องศีลแลวกระจกแต่เรื่องภาวนาเรียงลำดั บ, ด บ, ดบวิธีการภาวนาเนี่ยมีน้อยที่หลวงพ่อได้ฟังๆังเพราะนั้นหลวงพ่อไปนะักสถานที่ใดพอที่จะแนะนำสั่งสอนหรือว่าแนะนาให้พวกเราปฏิบัติ เพราะว่าพวกเราให้ทานรักษาศีลก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วและเป็นผู้มีศรัทธาอยู่แล้วต่อพระพุทธศาสนาควรจะ เ, เล่นเรื่องควรจะทําภาวนาอันิี้สงทานอันนี้สงศิลป์แลท่านบอกว่าไปสู่สวรรค์มาปึกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเกิดเป็นอยู่สวรรค์ส่วนอันิี้สงภาวนาเนี่ยถ้าว่าผู้ใดภาวนาทําจิตใจให้สงบ ผู้นั้นจะขึ้นไปสู่พรมอ่าต่อสูงขึ้นไปอีกไปสู่พรมแต่ถ้าว่าภาวนาจนชำระกิเลสกายวาจาใจของเราชำระใจของเราเป็นอริยะบุคคลคือพระโสดาพระสัคขาคาอนาคาพระอรหันต์อันนั้นแปลว่าบริสุทธิ์จุดพ้นตามแนวแถวที่พระพุทธองค์จุดประสงค์ของพระพุทธไตรจ้าที่พระพุทธไตรจ้าที่ท่านบําเพ็ญมาท่านบำเพ็ญจนตักกิเลส ราคาโทสะโมหะออกจากใจจนพออระองค์ได้ได้ประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่มาเกิดอีกแล้วเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือท่านชำระใจของพระ อ, องค์เองท่านรู้ด้วยพระ อ, องค์เองว่าสิ่งไหนพามาเกิดและท่านชำระอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องภาวนาจะเรียงลําดับตั้งแต่เริ่มต้นเราจะทำอย่างไง ใจของเราจริงจะเข้าสู่ความสงบใจของเราจะอยู่จะนิ่งได้นี่แหละอันนี้ต้องฝึกหัดนะอนาสัพทาญาโจมถ้าผู้ใดก็ตามต้องการความสุขสุขทางด้านจิตใจหรือมีความสุขจิตใจให้นิ่งจิตใจไม่ป่องฟงซ่านแล้วต้องพยายามทำจิตใจให้สงบจิตใจทำจิตใจให้สงบนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ย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 ถ้าจุดทูปจุดเทียนแล้วมันมีควันทำให้มันอบอ้าวแล้วทำให้เป็นพิษเป็นภัยกับตนเองและพร้อมกันก็และถ้าเราลืมดับมันอาจจะไหม้ห้องพระห้องพระก็ได้เพราะนั้นถ้าไม่จาเป็นไม่ต้องจุดหลอกต้องดูกาลเทศะถ้าเราอยู่ในที่โล่งที่ปลอดภยัยเราจึงค่อยจุดถ้าอยู่ในห้องไม่จําเป็นต้องจุดเอาขันห้าของเราหนึ่งคือขันห้าคือกายวาจา ใจของเราเนี่ยเข้าไปกราบเมื่อบูชาพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เพียงพอแล้วไม่ต้องจุดทูบเทียนท า, ามันจุดก็ต้องที่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าจะเข้าไปจุดในห้องพระแล้วก็ไฟไหม้ห้องไฟไหม้บ้านอานั้นอย่าอย่าอย่าไปทําอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ต้องจุดก็ได้ เ, เข้าไปแล้วก็กราบนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบไหว้พระอรหังสวาขาโตสุปฏิปัโน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 ทุกดวงวิญญาณให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าคือให้เรานึกน้อมจริงๆในจิต ใ, ใจของเราคือให้เรามีเมตตาแ่ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละคนที่มีเมตตาพระพุทธองค์ท่านตรัส ท, ท่านบอกไว้ว่าไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความมีแต่คนรักเมตตาแจะไม่มีใครมาเบียดเบียนลังแกเราเพราะเราผีเมตตาต่อเขาแต่ว่า ถ้าว่าคนที่ถ้าเราไปอยู่แล้วเราเขายังเบียดเบียนเราอยู่แสดงว่ากรรมเก่ากรรมเก่าให้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าถึงท่านจะมีเมตตาขนาดไหนแต่พระเทวทัตก็ยังจองร่างจองผ่านท่านอยู่อันนั้นประว่ากรรมเก่าของพระองค์กรรมเก่าของพระพุทธองคอ์แต่ว่าแต่พระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจแต่เมื่อมีเมตตาเลยคือมีเมตตาแต่เทวทัตก็รู้เออ ว่าพระพุทธองค์มีเมตตาต่อคู่ขนทั้งหลายต่อตอนเองแต่ว่าอาการอิจฉาเนี่ยพยาบาทมันมีนี่ก็เหมือนกัน่ะพวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่นัดสถานที่ใดก็ควรจะแผ่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์คนที่มีเมตตาในจิตในใจหลับและตื่นเป็นสุขถึมาน่ะชั้จะหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไปนัดสถานที่ใดก็ไม่คิดว่าจะมีพิษมีภยัยเพราะเรามีเมตตา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 คือไม่ให้มีการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในจิตใจของเราให้ใจของเรากับใจของคนอื่นเสมอกันเหมือนกันเนีเพราะว่าบางทีบางครั้งเรามีการไม่พอใจขัดเคืองกับผู้ใดผู้หนึ่งเวลานั่งภาวนาเนี่ยมันจิตใจมันมันวิ่งจุดไปหาจุดนั้นบ่อยๆเพราะอะไรเพราะใจของเราไม่ไม่พอใจอกับเรื่องนั้นๆกับคนนั้นๆ เ, เพราะนั้น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 นั่งนานไหมหลวงพ่อนานเท่าที่จะนานได้ออดเรานั่งอดอดให้นั่งนานๆทดลองให้นั่งนานถ้านั่งนานแล้วเราจะเห็นเจ้าจะเห็นคุณค่าในการนั่งเราจะไปนั่งประเดี๋ยวประดาวไม่ได้นะพอนั่งเข้าไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดอยากจะโทรศัพท์มันหาทางออกกิเลสในใจของเรามันหาทางออกจมบ่อยๆนะ อันนี้เราจะไปตามกิเลสเราต้องฝืนเข้าไปเจ้าจ่นั่งชั่วโมงหนึ่งนะวันนี้แอบดูนาฬิกาแล้วไปนัง่งเราจะนั่งชั่วโมงหนึ่งจากนั้นก็นัน่งเบ ร, ริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันแถมบังคับนะจะให้อยากอยากจะนั่งทีเดียวมันไม่ได้เราเราฝึกหัดใหม่ๆเพราะยังมันมันยังไม่ยังไม่เห็นคุณค่าเหมือนกับเด็กเนี่ยหลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนกับ เ, เ, เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนที่ไปเรียนหนังสือ เด็กนักเรียนเรียนหนังสือไม่มีใครนักเรียนคนไหนหรอกที่ไปไปไ ป, ไปเรียนไปหนูนลูกหลานไปเรียนหนังสือมันก็งองแงแลละไม่อยากจะไปเรียนบางทีก็จะไปแต่วันแรกพอวันที่สองที่สามก็งองแงเลยถึงไม่อยากจะไปเพราะเหตุไรเพราะมันไม่เห็นคุณค่าในการศึกษาแต่นี้พอเราบังคับให้เขาไปเรียนพอเรียนติดโรงเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาแล้ว มันขยันเองหละข้ามจะไปอย่าไปถ้พ่อแม่มีโทระนะลูกนะวันนี้หยุดตะกอนในเป็นไรละพ่อแม่จะเป็นลากูให้อย่าพิ่งไปพ่อแม่จะพาไปนู่นไปนี่มีกิจโทระวันเออเด็กทั้งหลายหน้าบูดหน้ า, นา ง, งอเขาเลยเนะพราะเห็นอะไรเพราะเด็กเขาเห็นการศึกษาเป็นสําคัญนล้วติดในการศึกษาแล้วเห็นคุณค่าในการศึกษากลัวจะเรียนหนังสือไม่คันเขาอีกต่างหากห่างวิชาความรู้ตัวเองอาจจะอ่อนอีกต่างหาก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 ตางลูกมานั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธทําใจให้สบายให้เจ้าให้ใจของเราพักผ่อนนะครับเข้าสู่ความสงบใจพักผ่อนนะพุทโธพุทโธอจากนั้นเมื่อเราทําหลายครั้งต่อหลายหนจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบอันดับแรกก็มันมีหลายมันมีหลายแนวนะคือจิตสงบเนี่บางคนก็พอนั่งภาวนาพุทโธพุทโธ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 ทางว่าพวกเราดื่มตาขึ้นไปเราก็เห็นภูผาป่าไม้ฉัดสาลายสีล้วก็เห็นแล้วจะไปแปลกอะไรในเห็นที่ในสมาธิมันไม่ใช่ของแปลกนี่แหละให้เรากลับมาหาสมาธิมาเข้ามาหากลกรรมาฐานเดิมที่เราบริกรรมไว้แต่ที่แรกนิมิตเหล่านั้นมันจะหายเหมือนปิดทิ้งเลยละ่ะนะครับริกรรมพุทโธพุทโธตั้งใจใหม่อีก เ, อเว้นเสียแต่นี้พอตั้งใจเข้าไปที่นี้มันจะเข้าสู่ความสงบ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 ว้จิตเข้ากูสู่ความสงบสุติมันมีความสุขนะมันไม่ร้อนนะเอามันเย็นสบายนะมันมีความสุขวานะ่าเพียงวาบเดียวเท่านั้นแหละเออจิตใจรวมสงบเพียงขนาดหนึ่งเท่านเองจําไม่ลืมนะอันนี้แหละจําไม่ลืมพวกเราโอ้โจิตที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนนะ่ะให้พวกเราทําสมาธิเออมันมีความสุขโอ้อยากจะให้มันเป็นอีกนะ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 จิตใจของเรามีสมาธิจิตใจของเราสร้างเกตให้เพียงพอจิตใจมันจะรวมสงบลงกว่านั้นไปอีกเึงพอสงบคราวนี้นะ่ะจิตใจมันจะไม่ปุง่งไม่ฟุง้งไม่ซ่านจิตใจมันจะเย็นสบายกับอารมณ์อารมณ์กับสมาธิมันควบคุมกันอยู่มันจิตใจของเราคิดเรื่องอะไรติตของเราทันตลอด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 ควบคุมสติให้อยู่สติกับกจิตควบคุมกันอยู่ถึงเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดียวนี้เรารู้ได้ด้วยตนเองแต่จติตใจยังไม่รวมสมบพนะเ่ยเตียงว่าสติกับกจิตควบคุมกันไม่ปุง้งไม่ฟุง้งไม่ท่าสติจิตของเราคิดเรื่องอะไรเรารู้เราทันแต่เสียงเข้ามาทางหูได้ยินเสียงคนเสียงสัตว์เสียงอะไรก็ตามเราก็รู้ว่าเสียงแต่มันไม่ส่งไปตามเสียง เออมันไม่ได้ส่งไปตามหูมันอยู่ที่ตัวของเราอีกดูอยู่อยู่ที่ตัวของเราอนนี้เราควบคุมสติจุดนี้ได้อันนี้เราอุปจาระนะจ๊ะอุปจาระสมาธิคือจิตไม่หิวจิตไม่โหยจิตไม่ปุ่งไม่ฟุ้งไม่สานจิตอยู่กับตัวแล้วว่าจิตอยู่ออถอาว่าท่านว่าจิตสงบอันนี้คือบอกอุปจาระสมาธิจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งแต่เราพยายาม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 ตายแน่นอนเอเผาไฟแน่นอนเอาไปเก็บไฟห่ส์ช่วยแน่นอนแต่นามธรรมคือจิตใจตัวที่รู้รู้เนี่ยไม่มีป่าชาตัุนี้ออกจากร่างนี้แล้วพร้อมที่จะไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นได้ถ้ามีบุญกุศลก็พร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้พร้อมที่จะไปเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกตาคานาขาเป็นพระรหันเป็นพุทธก็คือใจดวงนี้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 เสียงอะไรเราจะไม่ได้ยินทั้งนะั้นในขณะที่จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิแต่ว่าจิตที่รวมจะรวมเป็นอัปปนาสมาธินั้นไม่ใช่วันจะเป็นรวมในที่สาธารณะหรือว่าเปรวมในที่พกพานบุนวายจิตจะไม่รวมนะะจิตประเภทนี้เป็นสัมปยุทธ์ด้วยปัญญาทีเดียวมันจะหาหมุมที่ปลอดภัยที่สุดอยู่เป็นเอกเทศที่สุดอยู่ตามลำพังที่สุด ปลอดภัยที่สุดมันจึงจะสงบได้แค่ข้ามเป็นจิตที่ปล่อยวางปล่อยวางร่างกายจากนั้นพอมันลงถึงฐานบางคนก็อยู่ได้นานบางคนก็ไม่ได้นานจากนั้นจิตใจก็ถอนถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาก็มาเป็นอุปจารสมาธิพอมันถอนขึ้นมาเท่านั้นล่ะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออบึกกีเนี่ยจิตของเราเป็นสมาธิหรือเปล่า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 พวกเราจะสงสัยว่าเอ๊ะทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าหรือเปล่าทําว่าจิตใจสงบทำให้เราไม่จึงไม่สงบสักทีใจใจของเราไม่เย็นเลยมีแต่ร้อนอยู่ตลอดอันนี้แปลว่าเราไม่ได้ริมรถแห่งสมาธิแต่เราได้รินรถสมาธิและจิตใจมันดูดดื่มมั่นคงเชื่อมั่นในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากว่าบรมครูหรือพระพุทธเจ้าของเราหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเย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 ร่างกายของเราจะไปได้ก็ต้องอาศัยนมามธรรมคือตัวผู้รู้รู้ยังงเข้ามาสั่งการแต่ถ้าว่ารถคันนี้มันเสียสมองแต่มันแตกหัวใจมันหยุดเต้น เ, เหมือนกับ ร, รถมันเสียอย่างนั้นลูบสูบมันติดฝีมือโซเฟอร์จะดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นไปขับ <III> ขยับ <y> ขยื <uge eni> นยย่นไม่ออกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะรถมันตายนี้ก็เหมือนกันถ้าร่างกายของเราหมดหมดสภาพนะ อ, อ ใจิตใจดวงนี้ก็ต้องออกจากร่างไปปฏิสนที่ไปหาที่อื่นอีกไปเกิดที่อื่นอีกนะเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านที่ให้ความสําคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแอร์โซเฟอร์เป็นใหญ่ในรถถ้าไม่มีโซเฟอร์รถคณะก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีใจพวกเราก็หมดสภาพเพราะฉะนั้นในร่างกายของเรามีสองแต่นั้น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 ถ้าหัวหน้าปุุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาคิดปุุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นผลดีสำหรับตัวของเราเพลอเผลอก็ทําให้เสียศูนไปได้ง่ายๆเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่จะเฉพาะพระนะเรื่องสมาธินะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านคณะสัตยาญาณโยมควรจะฝึกเรื่องสมาธิทีละน้อยละน้อย อย่างน้อยกว่าวันหนึ่งเรานั่งภาวนาสักห้านาทีได้ไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ่ยเราหั่งห้าห้านาทีได้ไหมสิบนาทีได้ไหมสิบห้านาทีได้ไหมแต่ละวันไม่ควรจะให้ขาดถ้าเป็นไปได้เป็นการอบรมทางด้านจิตใจทางจิตใจของเราด้รับการอบรมดีแล้วมีแต่ความร่มเย็นผาสุกนะ เ, เพราะนั่นการ อ, อ, อบรมหรือว่าการภาวนาเนะี่ย เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายพระในครั้งพุทธการพระในครั้งพระพุทธเจ้าอายุสามเณรเจ็ดปีก็ยังได้สําเร็จเป็นพระรหันต์รวยมากสามเณรที่ท่านภาวนาท่านมาได้ผู้ใหญ่นะ่เจ็ดขวบท่านเองแต่บุญบารมีของท่านสั่งสมหมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้แหละที่มาสู่วัดวาศาสนา ถ้าทำบุญได้ทำทานได้รักษาศีลและก็ได้ภาวนานี่ยบุญกุศลอั น, นิสงศีลอั น, นิสงทานอั น, นิสง์ภาวนาเนี่ยนะจะเป็นเครื่องเกื้อกูหลหนุนพวกเราไปสู่ภายภาคหน้าเป็นชบี๋งคล้ายๆกติดจิตติดใจของเราพระสงฆ์สาวกในครั้งพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยบวช่ว็เคยเป็นฤาษีชีภัยมาก่อนให้บําเพ็ญเรื่องทานเรื่องศีลภาวนา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 ทนก็ได้สำเร็จพักสำเร็จผลในครั้งพุทธกาลอย่างที่สมมเนนจิตจะสัมมาเนนจิตจะสังจิตจะสัมมาเนนท่านมาเกิดในตระกูลเศรษฐีแต่ท่านก็มีกรรมนะท่านมีกรรมมีกรรมก็คือพอมาเกิดแล้วในท้องของแม่จากนั้นแม่ตายพอแม่ตายเขาก็เอาพอลูกของ ลูกอยู่ในท้องลูกแก่แล้วนะจแต่พร้อมที่จะคลอดแล้วแต่ลูกตายตายในท้องจะกนั้นเขากอพอตายแล้วเขาคนสมัยนะั้นเขาก็ดามไปเผาเนะี่ยพอไปเผาเสร็จแล้วก่อนที่จะเผาเขาก็เอามันท้องมานยังตรงเลยเขาเอาไม้แทงเข้าไปในท้องของอผีตายนะอย่างนั้นเถอะคนที่ตายไปนะพอแทงเข้าไปอแล้วเกิกลับ พอแทงให้ก็พอแทงให้มันให้ทะลุทะลวงให้มันไฟหนหนไฟหมนะพุ่งยิงอ่เออทีนี้ก็พอแทงเสร็จแล้วโขเดินทางกลับพุ่งนี้เช้าไปดูอีกพอไปดูเห็นเด็ก เ, เห็นเด็กกระเด็นออกมาจากกองไฟแหม่เด็งออกมาไฟจากนั้นเขาก็โอ้ทำไมเด็กออกมาไม่ตายนาเยนี่ยว่ะเออแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าผู้ใดก็ตามจะได้สําเร็จเป็นพระหรหันในชาตินั้นถึงจะฆ่าก็ไม่ตายอธิบายอย่างนั้นนะอันนี้สังกิจจะสัมมณีนรักษาอย่างนั้นอยู่ในท้องแม่เขาเอาไปเผาไฟแต่จะนี่จากนั้นพอไฟกระเด็นออกมาออกมาข้างนอกพ่ อ, อก็มาเล่าพ่อแม่พี่น้องเขาก็เลยเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงกับเป็นตัวโตวขึ้นมาเลยภาษาริบุตร ท่านก็ไปฉันที่บ้านนี้เป็นประจําแต่โดยมากภาษาเรบูดเนี่ยเป็นรู้อนาคตตังสยามโดยมากสัมมาเนนภาษาเรบุตรในท่านจะกับสัมมาเนนที่เป็นพระหรหันมากมากๆลยเป็นทุกสิษย์ภาษาเรบุตรเกือบทั้งนั้นท่านจะรู้ว่าท่านจะไปสั่งสอนแนะนําเขาสั่งสอนเขาอย่างไรอันนี้ท่านก็ไปฉันที่บ้านของออญาติพี่น้องของจิกสังจิตจะสัมมาเนนเตเน้ พอในอายุ7ปีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็รักนะปู่เขาก็รักแต่ต่อมาเนี่ยนก็พูดให้ฟังโอ้โหไอ้หนูนนนพ่อแม่ของแกนะตายแต่อายุแต่เธออยู่ในท้องแม่นะที่ตายเสียเนี่ยเพราะว่าโดนจับปเปลเรเขาเอาไม้แทงเข้าไปกระถึอสายตาตาก็เลยแตกบอดไปข้างหนึ่ง สมณเนรก็เกิดความสลดสังเวชใจโอ้ตายแม่ก็ตายไปเราจะไปอยู่ทาไมเราเป็นนักพดนนักปวดจะไม่ดีเหรจากนั้นก็ผมอยากจะบวชครับบอกให้คุณปู่บอกให้คุณตาตาโอ้ยินดีจากนั้นก็เลยนิมนต์ภาษารียบุตรมากับมอบให้ภาษารีบุต ร, รเป็นอาจารย์ภาษารียบุตรก็รับพอรับแล้วก็บวช บวชไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในสมมาณิสังกฤจจาสมมาณิเป็นพระรพอรหันต์เพราะท่านภาวนาแ พ, พือเกี่ยวกับา ร, รมีของท่านท่านเก่าแก่อย่างที่ว่านพอได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้ในวันหนึ่งมีพระภิกษุสงฆ์สามสิบรูปเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าและจะไปภาวนาในชนบทจะไปภาวนาในชนบทคือบ้าน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 ภาษาเรียบว่าเออพวกท่านทั้งหลายที่พระพทุทธองค์ให้พวกท่านทั้งหลายมาหาเราเนี่ยก็อนเลยดีล่ะเราจะฝากสัมมเนนไปให้พวกท่านทั้งหลายได้ไดใช้สัมมเนนเพราะว่ามีแต่พวกท่านทั้งหลายไปก็จะลําบากบางทีประเคนสิ่งของแต่นี้พระสามสิบปู่บางคว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วครับท่านสัฏิบุตรเอาเนนไป มันเป็นภาระครับพระสารีบุตรอัลเอานน่าเราให้ไปเนี่ยให้พวกท่านให้รับสัมมาเรนไปเถอะนะเราให้ให้ไปพวกนั้นเขาฝืนไม่ได้พอาะฝืนไม่ได้ท่านก็รับสัมมาเรนไปพอรับสัมมาเรนไปไปอยู่เดินไปได้ป่าเข้าไปป่าลึกไปในป้านในชนบทพอไปอยู่ที่นี่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 ไปมอบให้ เ, เทวดาอารักษ์ที่เขาเช่นสวงนะ่ะ เ, เพื่อจะให้พวกเขามีโจทมีเศรษฐีเข้ามาหรือ ว, ว่าให้เขาได้ป้นได้ทำมาค้าขายขึ้นลักษณะอ่งนั้นแหนะแต่ทีนี้เขาก็เห็นอันนี้มาพอดีคนที่ไปกินกินเศษกินเดียนของวัดนะเดินมาเขากระจับ พก็จับเอ่ยพอดีแล้วเราจะต้องเอาไปพลีกรรมตัดคอแล้วก็เอาไปถวายผุมมะลุขะเทวดาลรักษาป่าพอดีแต่นี้ไอคนที่เดินทางนะก็บอกว่าโอ้ยอย่าฆ่าผมเถอะผมเลยเป็นคนกินเดชเป็นคนเป็นคนจันทาน แน่นู่นพระสงฆ์อยู่ในป่านั่นนะอมีทตลูกเศรษฐีมีทตลูกกษัตริย์เป็นลูกพราหมณ์ทั้งนั้นเอถ้าว่าได้ลูกพราหม์ลูกกษัตริย์เหล่านั้นน่ะจะดีกว่าผมนะผมไม่กลจันทานเทวดาอารักษ์ทั้งหลายหรือว่าสารพระภูมิทั้งหลายเนะ่ยเขาไม่ต้องการหรอกคนจันทานถึงจะบูชาก็ไม่เป็นมงคลถ้าเอาลูกเศรษฐีมาหรือว่าลูกพราหมงมา จะเป็นมงคลกว่าพวกโจรห้าร้อยที่ดับชายถ้าได้ก็ดีเนี่ยวะอยู่ที่ไหนนั่นแหละอยู่ที่พระอยู่ในป่าเนีน่เอาใครจะเป็นคนพาไปผมจะคนพาไปเองเอาจากนั้นก็ไอเนี่ยไอยกินเดนเลยกับพาไปพาโจรไปพอไปเสียนแลยกับไปเคาะระคังพอระคังเสถพระเถระก็มาเนี่ยท่าขมมากพระสงฆ์ก็มา ามาเศรษโจรก็บอกว่าผมข อ, อจับขอพระไปสักองคหนึ่งใครก็ได้ไปเพื่อบูชาสารพระผมของผมพระเทลาก็ประชุมกันแล้วแต่เนีเลยบอกเออพวกท่านทั้งหลายผมที่เป็นหัวหน้าหมู่พวกเพื่อนผมต้องเสียสละเพราะมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วผมจะต้องยอมผมจะต้องยอมตาย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 เรากลับไปวัดป่าเชตะวันนะท่านพระธรรมเสนาบดีหรือพระสงฆ์ทั้งหลายป น, นามพวกเราจะทํำยังไงไม่ได้สําเร็จห้ามเด็ดขาดสําเร็จไม่ให้ไปเ อ, อพวกท่าน อ, อพวกเราเองจะไปแต่นี้ก็ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาโจนผู้ร้ายเข้าก็เอาเอาอยัางไงตาเร่งเล่งเขาหน่อยนะลักษณะอย่างนั้นวนะ่ะมันเป็นโจนเนี่ยเออ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 เพราะท่านท่านจึงให้ข้าระเจ้าให้สมณีให้ข้าไเจ้ามาพวกท่านสบายใจได้ข้าระเจ้าจะไปเองพระสงฆ์จ้นั้นก็จำนน์เ อ, อใช่คงจะมีส่วนแต่ก็พระสงฆ์แล้วนั้นยังเป็นปุตุชนอยู่นะออพอเห็นสมณีโจรเขาจับไปคุมขังเขาจับไปพวกนี้ก็ร้องหหม่ร้องให้กันอรเง็นพระสงฆ์ไม่มีกันอันจะจูจะกินยไม่รู้จะทำยังไงเพราะสงสารสมณม เ, เขาจะต้องตัดคอนะ จากนั้นสามเณรก็ไปตามโจดพอไปเสร็จแล้วเขาก็กอ่อไฟขึ้นมาพอก่อไฟขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะทำพรีกรรมแล้วกันนะตัดคอสามเณรเอาน้ำไปบูช า, เ จ, าเจ้าแม่กากี๋ยบูชาเช่นสวงสารประภูมิของเขาเสร็จแล้วก็หัวหน้าโจดก็ชักดาบออกมาสามเณรนั่งเฉยดูดาบนะ่ะแต่เขาบอกว่า จะถอดพอเห็นขึ้นมานะทุกคนใจหนีดีใจฟอหมดแต่นี่สัมมาณีในนั่งชออ่อยพอถอดดาบตัดคออนะไรเงีตัดคอสัมมนณ อ, อทั้งที่มันจะชดขาดนะสายเพ่งกระเด็นเล ย, ยนนะเหมือนกันแฟันอีกที่สองพอี่สุดดาบงอเลยดาบ เป็นเป็นทัวฝักยาวไปเลยพันเลยว่างั่นเลยเนี่ยพระสมณเณรเป็นพระรหันต์เนี่ยท่านมีมีฤทธิ์น่ะท่านแสดงฤทธิ์ให้ให้เห็นเลยบอกจะนั่นก็โอ้ฟันถึงสามครั้งไม่ไม่ได้นั่นเลยหัวหน้าโจนโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาสมณเณรพักูกท่านอยอมกล่าบไปเลยพอยอมกล่าบสมณเณรก็บอกว่านี่นะพวกท่านทั้งหลาย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 คงจะร้องห่มร้องไห้เพราะเห็นน้ำตาร้องไห้ตอนที่สัมมเณีออกมาท่นี้สัมมเณีเขาไปกราบด้วยพาโจรห้าร้ยเนี่ยที่เป็นสัมมาณีด้วยกันเนี่ยไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบพระสงฆ์เหล่านั้นพอเข้าไปพระสงฆ์เหล่านั้นเห็นโอ้นี่สัมมาณี เ, เป็นยังไงสัมมเณีบอกว่านี่ผมมากราบปลาท่านนะท่านอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์าารยภาวนาไปเถอะนะที่ท่านอาจารย์ภาวนาแนละ้วถูกต้องแล้วละ่ะ ผมไม่มีอะไรแล้วนี่เห็นไม่โจรห้าร้อยเนี่ยผมให้เขาบวชเป็นสัมมานีหมดแล้วต่อนนี้ไปผมจะได้กราบเข้าไปกราบพระธรรมเสนาบดีภาษาริบุตรอาจารย์ของผมแล้วนะผมจะไปแล้วขอให้พวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยความผาสุกเอนะครับผมท่านอาจารย์สัมมนเนนั้นก็พาโจรห้าร้อยนี่ตามหลังไปจนถึงวัดป่าเชตตะวันพระสงฆ์ทั้งหลายก็แปลกใจ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 พอมีเรื่องขึ้นมาที่เขาที่โจรจะฆ่าตัวเองก็เบี่ยงเบนไปให้ฆ่าคนอื่นอันนี้คือเพราะความกลัวตายเพราะผู้ตุชนเอาตัวรอดแต่ถ้าว่าสมมาณีไม่เข้ามารับในเรื่องนี้ก็คงจะภิกษุไม่เดาองค์ใดก็ตรงองค์หนึ่งแะจะต้องถูกฆ่าแต่นี้ท่านสัมมเณีสังกิจจะสัมมาณีท่านเป็นพระอรหรันต์ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช พระหานมีอยู่สี่จำพวกนะพระหานมีอยู่สี่จำพวกเป็นพระหานเหมือนกันแต่มีอยู่สี่อย่างมีอยู่สี่เกรดนะเกรดหนึ่งก็คือสุ ข, ขวิปัสสโกแปลว่าได้สำเร็จเป็นพระหานแต่ไม่มีฤทธิ์มีเดช ร, รู้ว่าตัวเองได้สำเร็จเป็นพระหานแต่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ว่าสุ ข, ขวิปัสสโกเตวิต โสละพินโยปฏิสามพิทัพปัตโตนื่อพระหรหันต์ไม่อยู่สี่จำพวกแต่สามจำพวกหลังนี่เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชแสดงฤทธิ์ได้แต่พระหรหันต์ชุกขะพิปัจโกนี่เป็นผู้หมดจดจากกิเลสเป็นพระหรหันต์เท่านั้นนี่หลอันนี้แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์หรือว่าบาปบุญคุณโทษ นรกสวรรค์มีจริงอ ย, อย่างสมัมมาเนยียท่า น, นบำเพ็ญบารมีมาไม่รู้ว่ามันต้องเป็นอสงไข่บำเพ็ญคุณงามความดีมามาชาตินี้ท่านก็ได้เป็นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่เป็นสมัมมาเนธบวันนั้นก็ท่านก็ได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อจำไม่ได้ว่าท่านได้รับเอธะคะอะไรในสมัมมาเนธินี่แหละ อันนี้ก็คือสัมมเนรอายุเจ็ดขวบในครั้งพุทธกาลไม่ได้เลือกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ได้เลือกว่าภิกษุสัมมเนรอุบาสกอุบาสิกาอุบาสิกาได้เป็นพระหรหันต์ผู้โยมผู้หญิงเป็นพระหรหันต์มากต่อมากเหมือนกันในครั้งพุทธกาลบวชพิจเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้บําเพ็ญแล้วก็ได้ชําเร็จเป็นพระหรหันต์ก่อมาเป็นโยมพระเจ้าจุตโทธทนะ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 ความสุขอย่างทางด้านจิตใจแล้วเรื่องทานเป็นธรรมเป็นพื้นฐานเรื่องศีลก็อยู่ในกรอบเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิใน เ, เรื่องภาวนาเนี่ยเป็นนงานที่หน้าที่ของพวกเราท่านทัน้งหลายจะต้องนํามาประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อยอยากจะให้พวกเราท่านทัน้งหลายเข้ามาสู่วัดวาศาสนาที่มา